ทำบุญแบบไหนถึงจะแข่งชนะในงานที่คนแข่งแย่งกันตอบตามคำถามคือพยายามทำบุญที่มีคนทำตามๆกันจำนวนมากแต่เราทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้รับมากเหนือกว่าใครอื่นตอบนอกคำถามคือพยายามทำบุญให้สม่าเสมอในแบบคิดเองสร้างสารรค์เองไม่เปรียบเทียบกับใคร แล้วเมื่อใดการเผลดผลจะให้ผลสองทาง 1. คือทางใจ 2. คือทางชตาทางใจจะคิดอ่านไม่เหมือนใครแตกต่างจากคนอื่นและมีอะไรดีๆแปลกใหม่ให้กับโลกเสมอทางชะตาจะเอื้อให้แข่งกับตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครอยู่บนทางที่ไม่มีใครมาแข่งด้วย หรือกว่าจะขึ้นทางแข่งเราก็ไปถึงเส้นชัยแล้วสร้างลูวิ่งใหม่ให้ตัวเองแล้วมีความสุขความภูมิใจโดยไม่ต้องเปรียบเทียบหรือฟาดฟันกับใครแล้วและที่สำคัญที่สุดคือเป็นประโยชน์กับคนอื่นสร้างความสุขไม่สร้างความเจ็บใจให้ใครๆแล้วครับความเสียสละสองแบบ เหมือนใจเสียสละเหมือนเชื้อนเนื้อออกจากตัวเหมือนระเบิดเวลาพร้อมโปงปางเต็มใจเสียสละเหมือนเอาขยะหนักๆกออกจากอกเหมือนขึ้นบันไดสู่ฟ้ากว้างทีละขั้นความเสียสละใกล้กันมากกับความเจ็บใจถ้าใจไม่เป็นฐานทุกคนจำความเสียสละของตัวเองได้เพราะรู้ว่า ต้องใช้กำลังใจขนาดไหนแต่จำความเสียสละของคนอื่นไม่ค่อยถูกเพราะไม่รู้ว่าเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างเรื่องทวงบุญคุณคนจึงเกิดบ่อยกว่าการเห็นค่าบุญคุณใครความเสียสละมีอยู่สองอาการ 1. นื่ปใจเสียสละยังเป็นทุกข์เต็มใจเสียสละยังเป็นสุขแบบแรก เหมือนเชือเนื้อออกจากตัวรู้สึกเจ็บแสบในทันทีและเหมือนระเบิดเวลาพร้อมจะระเบิดโป้งปางหากไม่มีใครเห็นค่าในภายหลังหรือกระทั่งตอบแทนด้วยการเนรคุณแบบหลังคือการเต็มใจเสียสละอย่างเป็นสุขเหมือนเอาขยะหนักหนักก้อนใหญ่ออกจากอกรู้สึกเบาโล่งแสนสบายในทันทีและเหมือนขึ้นบันไดทีละชั้นยิ่งมากชั้นยิ่งเจอฟ้ากว้างขึ้นทุกที เป็นฟ้ากว้างที่พาใครมาเห็นไปด้วยไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนน้อยคนจะไปถึงตรงนั้นด้วย